u d d h a m m ā r a g a c c h u d h a m m ā a a h a m g a c c h d a m a g h a m a m g a c c h แต่ถ้าฮะปล่อยให้ความโศกเกิดขึ้นติดต่อยาวนานในกระแสจิตนะความโศกนี่องค์ทำได้แก่อะไรเวทนาเจตสิกที่ใน โทสะมูลจิตสองใช่ไหมคือโทมานัสเวทนานเนี่ยเป็นโทมานัสเวทนาที่เกิดร่วมกันกับโทสะฉะนั้นโทสะจึงมีอิทธิพลต่อเวทนาใช่ไหมคาว่าเวทนาในผู้ที่มาเช้านี้แปลว่าอะไรเนีเวทนาคือธรรมชาติที่สวยรสของอารมณ์ใช่ไหมถ้าโทมานัสเวทนาเขาก็จะต้องสวยรสของขอ ง, ข, ของอารมณ์ไอตัวเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นปจัจจัยเกิดจากผัสสะ ถ้าเวทนาทางมนโนทวารเนี่ยนะเวทนาทางมนโนทวานเนี่จะเกิดจากผัสสะที่ไหนมนโนสัมผัสะใช่ไหมมนโนสัมผัสะคือมนโนทวารวัชนะที่มีผัสสะอยู่ในนั้นน่ะมโนทวานนั่นเองจริงๆมนโนทวานเน่ยนะคือผวังผวังกัจจารนะผวังคู่ประเชทธโดยเฉพาะผวังคู่ประเชทธบวกกับกับอวชนะ ที่จริงคำว่ามโนสัมผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเนี่ยถามว่าในขณะที่ตัวโทมานัสเวทนาจะเกิดขึ้นตรงนั้นต้องมีโทสาจิตใช่ไหมไอตัวผัสสนะน่คือการประชุมกันระหว่างมโนทวารธรรมรมแล้วก็อะไรมโนยานใช่ไหมพอประชุมกันในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็เป็นผัสสะตัวเนี้ย มโนสัมผัสสะคือผัสสะที่ในผวังนะั้นนะ่ะนะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาในไหนเวทนาในชาวนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยว่าไงเป็นอุปนิสัยปัจจัยในฐานะเป็นปกตูอุปนิสัยปัจจัยอุปการละให้โทมณสเวทนาเกิดขึ้นในโทสาชโหนะฉะนั้นสภาพของโสกาจึงที่ท่านบอกว่าอันโต นิชานะลัคขโนมีการเผาอยู่ภายในหรือมีความแห้งใจในเป็นลักษณะแสดงว่าไอตัวโทมนสเวทนาคือเวทนาที่ในโทศาสตร์จะต้องเกิดปริมาณมากหน่อยใช่ไหมจึงจะสามารถทำให้จิตใจนั้นแห้งผากได้ประการที่สองเขาว่าอะไรทำให้จิตเดือดร้อนเนี่ยมาจากคำว่าเจโตปรินิชานะระโส เขาบอกว่าทำให้จิตเร่าร้อนเป็นกิจก็แปลว่าตัวไหนทำให้จิตเร่าร้อนอะตัวไหนตัวโทมานะเวทนาใช่นะตัวเวทนาในโทสะทำให้จิตเร่าร้อนทำให้จิตประเภทไหนโทสะจิตเพราะเขาเมื่อสักครู่บอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าโสกกาคือสภาวะทำให้เราสัตว์เศร้าโศกถึงความเร่าร้อนใจเนี่ยความเศร้าโศกกับสภาวะทาให้เราสัตว์ โศกอ่ะถามว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังเกี่ยวข้องที่ยังมีโทสะจะต้องมีความโศกไหมจะต้องมีความโศกฉะนั้นวัตถุเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะเราดูสิ่งที่มีชีวิตก่อนนะเขาเรียกวัตถุที่โศกได้และเป็นอารมณ์แห่งความโศกก็ได้ทีนี้ถ้าไปดูสังขารที่ไม่มีชีวิตวงไม่มีใจครองอ่ะเนี่ยทำให้เราสัตว์โศกได้ไหม mm hmm. เห็นไหมเนี่ย อารมณ์คือรูปารมณ์ที่สมมุติว่าหนังสือเป็นต้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยทําให้สัตว์นั้นโศกได้เหมือนกันถ้าไปยึดถือใช่ไหมถ้าไปยึดถือเกิดสูญหายเกิดวิบัติพัดพลากไปเนี่ยก็ทําให้โศกได้สรุปคือว่าวัตถุกรรมเนี่ยทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยนะล้วนแต่เป็นวัต ถ, ถุที่โศกเป็นหรือเป็นปัจจัยให้เกิดความโศกได้ฉะนั้นในเมื่อเป็นในลักษณะเช่นเนี้ ในฐานะที่ศึกษาปฏิจจสุบตัติถ้าจะเกี่ยวข้องกับวัตถุเหล่านี้ก็ต้องเกี่ยวข้องแบบไม่ให้ความโศกท่วมทับเพราะความโศกเป็นทุกไหมเป็นทุก์ที่สืบเนื่องมาจากชาติเขาเรียกทุกสืบเนื่องมาจากชาติถ้าไม่มีชาติความโศกก็ไม่มีเพราะชาติเป็นปใจใัจจัยเกิดความโศกใช่หมชาติเป็นปใจใัจจัยเกิดชรามรณโสกาปริเทวะทุกขโทมนาสสะอุปาญาตใช่ไหม ถ้าในอาทิตตปริยัยสูตรความโศกเป็นไฟไหมเวทนาในโทมานัสเวทนาไฟ11กองหนึ่งใน11กองนั้นความโศกเป็นไฟด้วยราคะก็เป็นไฟไหมไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติไฟคือชราไฟคือมรณะไฟคือโศกะเห็นไหเนี่ยปริเทวทุกขโทมานัสสาวุปายาตเนี่ยไฟ11กองสรุปแล้วเป็นไฟเนี่ย ฉะนั้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับวัตถุที่ทําให้โศกได้ก็แสดงว่าเรานั้นเกี่ยวข้องกันกับไฟแตอนปัจจุบันเรามีไฟอยู่หรือยังเนี่ยมีแล้วมีอยู่กี่กองครบ1ิบเอ็ครบเลยไหมครบ1ิบอกองเลยเนี่ยไฟนี่ครบ11กองเลยนะนี่ความโศกความโศกความล่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยไฟเผาแต่รู้ตัวไหมว่าไฟเผา ไม่รู้ยอมให้เผาไหมยอมด้วยความไม่รู้นี่เป็นอย่างนี้นี่คือคือสภาวะของความโศกแล้วก็อนุโศจนปะปัจจุปถานโนมีความเศร้าโศกเนืองเนืองตามความพินาศแต่เป็นผลตามความพินาศของอะไรยาติพยัสนะโภค้าพยาสนะโรค้าพยัสนะสีราพยาสนะและทิฏฐิพยัสนะเขาเรียกว่าพินาศห้าอย่าง ญาติพยัศนะเสื่อมจากญาติคือญาติตายนะวิบัติเป็นต้นโค่าพยัศนะก็คือทรัพย์สมบัติ mm hmm. เกียรติยศ ด, ด้วยโรคพยัศนะที่จริงคาว่าโรคพยัศนะเนี่ยไม่ใช่โรควิบัติเนื้อถูกโรคนั้นทำให้วิบัติศีลพยาศนะคือความวิบัติไปของของศีรอะไรบ้างของปาฏิโมกขังวรศีล อินเทียสังวร อ, อาชีวะปริสุทธิศีลแล้วก็ปัจจะยะสันนิสิตศีลนะนะความวิบัติไปของศีลเหล่านี้ก็จะเศร้าโศกเศร้าโศกในปัจจุบันหรืออนาคตถ้าศีลวิบัติฮะคนที่ศีลวิบัติเนี่ยจะเศร้าโศกในปัจจุบันหรืออนาคตการไหนดีถามว่าการอดีตเนี่ยศีลวิบัติเนี่ยทำให้เศร้าโศกในปัจจุบันได้ไหม mm hmm. เห็นไหมถ้าปัจจุบนันศีลวิบัติ ก็เศร้าโศกในปัจจุบันนี้ด้วยและอนาคตด้วยนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ความปัจจใจให้จะเยเกิดความโศกก็หลีกเลี่ยงกันทิฏฐิพยาสนะอะไรเดียนี่ความวิบความพินาศไปของความของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิพินาศแต่อะไรมาแทนเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมาเกิดแทนนี่เป็นมีความโศกมีแค่นั้นนะต่อไปขึ้นปริเทวะปริเทวะ คำว่าปริเทวะนี่เขาแปลว่าความข่ัมครวนปริเทวะเนี่ยแปลว่าความข่ัมครวนอีกในหนึ่งเขาบอกสภาวะทําให้เราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าข่ัมครวนในเรื่องนั้นๆปริเทวะนี่มีสองสั์ความข่ัมครวนสภาวะทําให้เราสัตว์ขรัมครวนเนี่ยตัวปริเทวะนี่ต้องเกี่ยวเนื่องกับอะไรปัจจัยที่จะทําให้รู้ว่าสัตว์เหล่านั้นมีปริเทวะก็ดู จากวินญยญติรูปที่แสดงออกมาใช่ไหมลักษณะของคำว่าปริเทวานังเนี่ยปริเทโวเนี่ยนะความค่่ำครวนล่ำห้ยชื่อว่าปริเทวะอีกในหนึ่งก็มาจากคำว่าตังตังปวติ ง, ป ร, ะะตงปริกิเตเตตวานะเทวันติกกันทันติเอเตนาติปริเทโวเนี่ย แปลความว่าสัตว์ทั้งหลายข้าครวนร่ําไห้โดยอาศัยธรรมชาติใดธรรมชาติที่เป็นเหตุให้แห่งการข้าครวนร่ําไห้ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าปริเทวะปริเทว ะ, เ, ทวะเนี่ยโดยสภาวะธรรมได้แก่อะไรได้แก่เสียงได้แก่เสียงที่เกิดจากโทสะจิตเสียงที่เกิดจากโทสะจิตนั้นเขาเรียกว่าจิตตวิปราสัทธะเพราะอาศัยอะไร พยัสนะหาอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุเหมือนกันเออถ้าพูดถึงในเรื่องของเสียงเนี่ยนะต้องไปดูวินยติรูปนิดหนึ่งเพื่อให้สอดคล้อง ก, กันกับการศึกษาในในปฏิจจตัตรงนี้คำว่าวินญยญ ต, ติรูปเนี่ยคำว่าวินยตินี่ก็แปลว่าให้รับรู้หมายความว่าให้รับรู้ทางกายกับให้รับรู้ทางวาจาอย่างนี้เขาเรียกวินยติ หรืออีกความหมายหนึ่งก็บอกทําให้เกิดไอคาวิญญาติเนี่นะทำให้เกิดเหมือนในลักษณะบอกว่าออถ้าใครดูในใครศึกษาในพระวินัยมาดีนะในข้อความในสุทินทักกันเนี่ยการที่เก่าเรื่องของพระสุทินก็ไว้ที่พูดในเรื่องของเมทุนทำสามครั้งกนะ็แปล ว, ว่าทําให้เกิดส่วนในที่นี้ควรมีความหมายทั้งสองอย่างนะควรมีความหมายทั้งสองอย่าง การเกิดขึ้นของวิญญาณที่เป็นไปทางกายและทางวาจาสื่อสารทั้งหมดอันปราศจากความต้องการให้รับให้ผู้อื่นรับรู้นะีในมูลดีกาท่านกล่าวเขาไว้บอกว่าอาการที่เกิดร่วมกันกับจิตย่อมให้รับรู้ความมุ่งหมายหรือถูกคนอื่นรับรู้ได้ด้วยการทําให้เกิดการก้าวไปเป็นต้นโดยปราศจากความต้องการจะให้คนอื่นรับรู้เชื่อวิญญาณไอตัววิญญาณจริงๆนะ่ย เขาไม่ได้มีตัวรูปเนี่ยนะเขาไม่ต้องการให้ใครๆรู้ออกว่าว่าเขาจะก้าวหรือจะพูดจะอะไรเนี่ยตัววิญยัตติรูปเพราะเป็นรูปธรรมใช่ไหมตัวรูปจริงๆนั้นเนะ่ยเขาไม่ได้มีเจตนาหรือเจตจำนงใดๆที่จะให้คนอื่นรับรู้แต่ตัวที่ทําให้รู้จริงๆก็คือว่าเป็นจิตใช่ไหมเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ อาการที่เกิดร่วมกันกับจิตย่อมทำให้คนอื่นรับรู้ความมุ่งหมายหรือถูกคนอื่นให้รับรู้ได้ด้วยการทำให้การก้าวไปเป็นต้นโดยปราศจากความต้องการให้คนอื่นรับรู้เชื่อวิญยัตโดยมีสองสองในนะบอกว่ารูปทำให้รับรู้วิญยัตแต่รูปทั้งสองมีความหมายรูปทำให้รับรู้แต่ทำให้ใครรับรู้กายวิญญัตย่อมถูกรับรู้ได้ด้วยโฉนะวิถีทางมโนวทวานอย่างเดียว ถามว่าทางปัญจทวารวิถีสามารถที่จะไปรับรู้กายวิญญาตได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทางปัญจทวารวิถีเนรับรู้ทางปัญจทวานไม่ทางปัญจทวารวิถีรับรู้วิญญาติรูปไม่ได้แต่มโนทวารวิถีรับรู้ได้นี่เป็นอย่างนี้หลังจากที่รับรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยจักขูวิญญาณและรับรู้อวัยวะน้อยใหญ่ที่เคลื่อนไหวด้วยกายวิญญาณวิถีแล้วเนี่ยส่วนวิญญาติรูป ถูกรับรู้ด้วยชาวนาวิถีทางมโนทวารวิถีอย่างเดียวถ้าถามบอกว่าอวัยวะน้อยใหญ่ที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้ทางจากักขคทวารได้ไหมทำไมไม่ได้เนี่ยกวักมือไอ้ไอ้รูปที่กวักอยู่อย่างเนี้ยทางจากักขคทวานเขาเห็นได้เขารู้ได้แต่เขาไม่ใช่รู้เรื่องนะแต่เขาต้องรับสีรับรูปของมือกวักอยู่แล้วใช่มมือไหวอยู่แล้วก็ต้องรับอยู่แล้ว แต่การที่จะไปรู้อาการที่เป็นวินยติรูปนะ่อันนั้นเป็นมโนทวารวิถีเข้าใจไหมชาวนามโนทวารวิถีท่นั้นที่จะสามารถรู้อาการไหวของกายและอาการพูดที่ออกมาเปล่งออกมาทางวาจาที่กลายเป็นวินยติรูปได้นี่เป็นอย่างนั้นทีนี้ลามว่าการที่จะรับรู้เสียงที่เป่งออกมาได้นั้นเน่เสียงเนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวรับ เสียงที่เป่งออกมาจากทางวาจาเนี่ยจะต้องทวารไหนรับโสตทวารและวิถีบุคคลจะรับรู้วิญญาตด้วยทางปัญจทวารไม่ได้เห็นไหม <connect. S 1> วิญญาตที่เป่งออกมาเนี่ยอาการหรือว่าตัวเป่งออกมาที่เป็นเป็นเสียงเห็นไเป็นเสียงเนี่ยเสียงที่เปล่งออกมาทางวาจาเนี่ยโสตทวารและวิถีรู้เสียง แต่จะไปรู้อาการของเสียงวิถีไหนรู้ชาวะมโนทวารวิถีรู้ยางจีวรู้ว่าเสียงเนี่ยรู้ทางไหนรู้ทางโสตทวารวิถีอาการที่เสียงเปล่งออกมารู้ทางมโนทวารวิถีนี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้ปัญหาขอว่าบุคคลจะรับรู้ว่าจีวิญยัตเนี่ยนะด้วยชาวนะ ด้วยชาวนาวิถีทางปัญจทวารไม่ได้เพราะวจิเวญยัติทําให้คนอื่นที่รู้จักตนรับรู้จิตของผู้มีร่างกายแต่ทําให้คนอื่นที่ไม่รู้จักตนรับรู้รับรู้ไม่ได้เนื่องจากเป็นอะไรเหตุแสดงให้รู้เนี่ยนะย่อมทําให้คนอื่นรู้จักตนรับรู้ได้แต่ทําให้คนอื่นที่ไม่รู้จักตนรับรู้ไม่ได้เข้าใจคํานี้ไหม ยมสรีเข้าใจไหมเนี่ยฮะคือคือจริงๆการพูดออกมาใช่ไหมไอว้วจีเวียนยัตคือการเปล่งออกมาเนี่ยมันทําให้คนอื่นรับรู้รับรู้อะไรรับรู้จิตถ้าหากว่าไม่มีไม่มีวจีวิญนยัตเนี่ยเราจะรู้จิตของท่านคนนั้นได้ไหมว่าท่านผูนั้นจะพูดอะไรหรือมีวัตถุประสงค์อะไรทางคําพูดฉะนั้นการที่เราจะรู้จิตของบุคคลอื่นได้ก็ต้องอาศัยวจีวิญนยัตนี่แหละ อาศัยวจีวิญญาณนี่แหละสามารถจะเป็นสื่อผ่านถ้าไม่ ร, รู้ว่าท่านผู้นั้นนะ่ะคิดอะไรปรารถนาอะไรต้องการอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรใช่ไหมก็ต้องอาศัยมีมีวจีวิญญาณนี่แหละเป็นช่องทางผ่านไอช่องทางผ่านทางนี้เนี่ยเป็นเป็นช่องทางผ่านในการทำทำกรรมทางวาจีทวาน ฉะนั้นทางวจีทวารเนี่ยนะจึงมีวจีวินยัตเนี่ยเป็นข้อบ่องบอกว่าท่านผู้นั้นเนี่ยกำลังคิดอะไรหรือจิตของท่านผู้ น, น, นั้นน่คิดอะไรอยู่นี่เป็นอย่างนั้นการที่จะรู้จิตของท่านผู้นั้นได้จะต้องอาศัยวจีวินยัตนี่แหละเป็นตัวบ่งบอกให้รู้นี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีวจีวินยัตเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ใช่ไมไม่สามารถที่จะรู้ได้อธิบายมาแล้วเมื่อกี้ทีนี้ถามว่า แต่ทําให้คนอื่นที่ไม่รู้จักตนน่ะ ร, ร, รับรู้ไม่ได้ถ้าเขาไม่รู้จักเราเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ไหมก็รับรู้ไม่ได้เช่นเขาไม่ได้ฟังเสียงเราเขาก็รับรู้ไม่ได้เช่นถ้าเขารู้จักเราในขณะได้ยินเราในขณะที่เราพูดเออคนนี้รับรู้ได้แต่ถ้าคนอื่นรับรู้ไม่ได้ถ้าตอนนี้ยอมจิมรับรู้ได้ใช่ไหมในขณะที่พูดเนี่ยแต่คนอื่นที่นอกจากนี้รับรู้ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักตน S <S <an> เขาเรียกว่าเป็นยาปะกตะเหตุยาประกะยาประกาศเหตุหรือยาประกาเหตุเขาเรียกเหตุที่แสดงให้รู้กายวิญยัตว่าจีวิญญตัตเนี่ยนะเป็นเหตุที่แสดงให้รู้แสดงให้ใครรู้แสดงให้ใครรู้ย่อมทําให้คนที่รู้จักตน ร, รับรู้ได้แต่ทําให้คนที่ไม่รู้จักตน ร, รับรู้ไม่ได้ <S <S นี่เข้าใจชัดเจนนะตรงนี้นะต้องขยายใช่ไหม ถ้าคนรู้จักเราเนี่ยเารับรู้ได้แต่ถ้าไม่รู้จักรับไม่ได้คนละภาษาก็รับไม่ได้แล้วด้วยเหตุนั้ น, นการรับรู้ของวิญญาตก่อนจึงเกิดแก่สัตวิรัจานซึ่งเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวกระทบสัมผัสหรือได้ยินเสียงแล้วก็รับรู้ความมุ่งหมายนั้นๆของผู้อื่นได้อีกด้วยสัตวิรัจานรู้ได้ไหเช่นถือไม้ยอย่างเงี้ยมันรู้แะ หรือพูดตะโกนเสียงดังๆอมันก็รับรู้ได้อีกนี้เป็นต้นนะนเพราะถ้าไม่มีการรับรู้ด้วยวิญญาตร์รับรู้ความมุ่งหมายไม่ได้การรับรู้ความมุ่งหมายของผู้รับวิญญาตย่อมไม่มีโดยปาสจา ก, การรับรู้ที่เนื่องจากความหมายที่มาก่อนว่างั้นถามว่าไอการที่จะไปรับรู้ได้เนี่ยมาจากอะไรมาจากสัญญาเก่าๆไอตัวสัญญาเก่าๆนี่แหละทาให้สัตว์นั้นเข้าใจวิญญาตเช่นว่า ถ้ายกมือขึ้นอย่างเงี้ยรู้วัดหมายถึงอะไรเนี่ยก็รับรู้ได้ใช่ไหมสัญญาเก่าเป็นปัจจัยไหมฉันวิญญาติรูปจึงมีความหมายว่ารูปทําให้เกิดบุคคลเห็นคนอื่นก้าวไปก้าวไปทางเนี่ยจะขูวิญญาณวิถีแล้วย่อมรับรู้วิญญาติที่ก้าวไปและจิตที่ก้าวไปด้วยมโนวิวญญาณวิถีว่างงทีนี้ประการต่อมามันอย่างเงี้การก้าวไปการถอยกลับเนี่ย ก้าวไปถอยกลับเนี่ยเป็นกายวิญญาตใช่ไหมการก้าวไปถอยกลับเนี่ยเป็นกายวิญญาตถามว่าจะรับรู้ทางจากักขุยานวิถีก่อนใช่แต่การที่เข้าไปรู้อาการที่ก้าวไปวิน ญ, ญาตเป็นอะไรมโนทวารวิถีนะนี่จะเป็นในลักษณะอย่างนี้อระการต่อมาพอรู้จักวิญญาตแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูคำว่าจิตตวิปุราหั ส, สัทธะ จิตตวิปรสัสดัชทะนี่คือเสียงที่เกิดจากเสียงที่เกิดจากโทสะจิตมีคําว่าวิปรัสด้วยแต่ถ้าจิตตอวิปรสัสดัชทะนี่คือเสียงที่เกิดจากจิตปกติ mm. ใช่ไหมอย่างปัจจุบันนี่เป็นเสียงของพวกเราที่พูดกันนี่ปกติไหมเสียงที่เกิดปกตินะเสียงที่เกิดจากที่ปกติที่เราพูดกันเนี่ยนะเสียงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น จิตตะอวิปรสาสัทธไม่วิปริตเพราะว่าถ้าจิตมันวิปลา ด, ด้วยโทสะใช่ไหมโทมนัสเวทนาสหละคตกับโทสะซึ่งมีสัมยุตธรรมเกิดร่วมกันกันกบโทสะตั้งเท่าไหร่25ใช่มมากมายใช่เขาก็ช่วยผสมประ ส, สานทำให้โทสะนั้นเข้าถึงความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะเวทนานั้นก็เสวยรสของอารมณ์คือเสียงงนะ ท้าต้อบอกว่าเสียงที่เปล่งออกมาด้วยการที่โทสะก็บอกว่ามีอะไรลาลับ ป, ปนาลนลักหโนมีการพิาราบลำพันเป็นลักษณะมีปริเทวะเป็นอย่างนี้นะมีความพิาราบลำพันเป็นลักษณะถาว่าพิาราบลำพันเนี่ยนะถามบอกว่าแล้วก็คุณะโทสะปริกจกตนรโสมีการลำพันถึงคุณและโทษอันนี้บ่นเพ้อแล้วการลำพันคุณและโทษเนี่ย แสดงว่าเสียงที่ออกมานั้นมีเวทนาในโท ม, มานัสเวทนาเนี่ยนะเป็นปัจจัยผลักดันทําให้จิตตชรูปจิตวิป拉萨ศรัทธานี่เป็นจิตตชรูปไหมเป็นจิตตชรูปใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่สัตว์นั้นเกิดความปริเทวานี่นะตัวโทสาจิตเกิดขึ้นเพราะโทสาจิตเกิดขึ้นใช่ไหมว่าโทสาจิตนั้นน่ะปาราบอะไร ปารบความเสื่อมญาติปารบความเสื่อมจากโภคสมบัติแล้วก็โรคภัยแค่เจ็บศีลวิบัติแล้วก็ความวิบัติไปของทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะพอปารบสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดการพร่ำเพรือพิไรลำพันธ์เนี่ยเสียงที่พิไรลำพันธ์ออกมานั้นเป็นเป็นจิตตาวิปุราสัตย์ไอจิตตาวิปุราสัตย์ที่ออกมาทางวจีทวานเนี่ยนะ เปล่งออกมาทางวาจีทวาวรนั้นทําให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายรับรู้ได้ใช่ไหมว่าท่านเหล่านี้หรือคนที่รู้จักลตนเนี่อรับรู้ได้ว่าเออท่านผู้นี้กําลังบ่นเพือเนี่ยแต่เบื้องหลังของการบ่นเพือนั้นมีอะไรวายโยธาใช่ไหมวายโยธาตพัดผันไปในสรีละก่าวคื อ, อวัยวะโดยเฉพาะทําให้อวัยวะกล่าวคือปลากนั้นนี่มีการบ่นเพื่อออกมา แต่เบื้องหลังของวายโยธาตน้นคือโทสะจิตเบื้องหลังของโทสะจิตนั้นคือพยัสนาห้าอย่างสแสดงว่าโทสะนั้นรับพยัสนาห้าอย่างนั้นเป็นอารมณ์อยู่นะรับการสูญเสียญาติสูญเสียไอ้ทรัพย์สมบัติแล้วก็โรคภัยแค่เจ็บแล้วก็สูญเสียสีสูญเสียทิฐิที่ดีงามทาให้ตนเองได้รับความทุกข์ความตรมานอยู่ในขณะนั้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโทสะจิตนั่นและมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นฉะนั้นเ่าถ้าเราดูปัจจัยเขาเราจะเห็นทันทีว่าพยัสนะห้าอย่างเป็นต้นนี่นะเป็นอารมณ์ของปริถ เ, เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ให้โทสะเกิดแสดงว่าได้อะไรเป็นอารมณนะปัจจัยให้โทสะจิตโทสะจิตนั้นบวกด้วยเจตนากรรมด้วยใช่ไหมในขณะนั้น เป็นเจตนาในะอโทมนัสเนี่ยจริงๆอยู่เป็นโทสะนั่นแหละแต่เน้นโทสะมูลใช่ไหมเน้นโทสะมูลจริงๆอยู่แต่ว่าตอนนั้นเป็นอกุศรรมลมูลไหมเป็นโทสะอกุศลมูลแล้วปาราลบความวิบัติของญาติเป็นต้นเนี่ยนะแล้วโทสะนั่นแหละก็ไปผลักดันทําให้จิตชรลิมเขาเรียกจิตตาวิปสัสสนาพัดผันไปในสรีระทําให้อวัยวะกล่าวคือปากนะนั้นมีการขยับขึ้นขยับลงบนเพ้อ ไม่ใช่แค่ปากอย่างเดียวร่างกายมีการดิ้นกระไดใช่ไหบนเพ้อทุบอะไรไปนิดหน่อยก็เถอะนี่นะกายวิญญาตก็ออกนะจริงๆะไม่ใช่จิตตวิปราสัทธาอย่างเดียวนะที่จริงคือกายแต่ว่าเน้นที่จิตตวิปราสัทธาคือเสียงอะเน้นที่เสียงฉะนั้นเราจะกล่าวพระธรรมตอนนั้นเสียงเรามีอะไรเป็นปัจจัยในขณะที่กล่าวพระธรรมเนี่ย เสียงถ้ามีมหากุศลเป็นปัจจัยบุญจะเกิดเยอะใช่ไหมปารลอะไรวัตถุประสงค์อะไรก็ว่าเห็นไหมว่าจริงๆถ้าเราดูจากขั้นตอนของการเกิดขึ้นของเสียงเนี่ยบางครั้งเราตะโกนเรียกใครนะเสียงสั่นก็ได้เป็นจิตวิป ร, ราสัทธาก็ได้เพรา ะ, ระตะโกนด้วยโทรศัพท์ใช่ไหมเคยใช่ไหมเราเครียดจัดเราโกรธจัดเคยตะโกนใส่แม่ไหมไม่เคยนะ ไม่เคยนะไม่เคยไนงะแต่คนนั้นตายไปแล้วไม่ไม่มีแล้วได้แค่โศกนะในถึงปริเทวะเนี่ยลักษณะงี้เขาเรียกปริเทวะแล้วก็มีสัมภะมัจจุปัฐาโนมีจิตวุ่นวายไม่ตั้งมั่นเป็นผลโทสะจิตตะชะมหาภูตาปัฏฐานโนมีอภัตตโรคที่เกิดจากโทสะจิตเป็นเหตุใกล้ เอางี้สัทธานิยาศัยอะไรเกิดเสียงเนี่ยสายอะไรเกิดต้องอาศัยปริมาณของหมหาพูทธรูปเสียงที่จะมีได้ต้องอาศัยมหาพูทธรูปเสียดสีกันนะในสายเสียงอะในสายเสียงที่เราเรียกว่ากล่องเสียงเนี่ยนะต้องอาศัยมหาพูทธรูปเสียดสีกันอาศัยวายโยธาตเป็นอุธาลมเนี่ยนะเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นตัวทำให้มหาพุทธรูปนั้นนะ่ะเสียดสีกันถ้าไม่มีมหาพุทธรูปเสียดสีกันเนี่ยความดังของเสียงจะออกมาได้ไหมเห็นไหมฉะนั้นไอ้มหาพูธรูปเนี่ยเป็นเป็นเหตุใกล้ของของศัตธของเสียงถ้าเสียงปกติธรรมดามหาพูทธรูปก็เป็นเหตุใกล้ให้เสียงนั้นแต่ถ้าเสียงที่เป็นวิปราชนี่นะเกิดจากโทสะจิตเป็นต้นเนี่ยนะ ก็มีมหาพุทธรูปนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ๆ้ให้สังเกตดูนะว่าโทสะจิตไม่ใช่เหตุใกล้ของเสียงเพราะโทสะจิตนั้นเป็นตัวทําให้ลมจิตตชทะลปนะพัดผันแต่ตัวเสียงจะเกิดขึ้นมาได้ต้องตั้งอยู่บนมหาพูทธรูปใช่ไหมอลองไล่ดูทีมหาพุทธรูปสีดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาต การเสียดสีกันกลายเป็นเสียงขึ้นมาเลยเป็นสรัทธาขึ้นมาเสียงอันนี้เป็นเสียงที่เกิดจากจิตไม่ใช่เสียงที่เกิดจากอุตุถ้าเสียงที่เกิดจากอุตุบางทีไม้สีกันเนี่ยนะหรือเสียงพัดลมได้ยินไหครับเนี่ยเสียงพัดลมอย่างนี้เขาเรียกเสียงที่เกิดจากอุตุแต่เสียงที่เกิดจากอุตุอย่างเนี้นะไม่ได้มีจิตเป็นสมุทฐานแต่ว่ามีมีมีหาพุทธรูปสีเป็นเหตุการเหมือนกันนะเสียงแบบนี้ยเสียงที่เกิดจากอุตุเนี่ย แต่เสียงที่เกิดจากจิตก็มีมหาบุตรโรสีเป็นเหตุใกล้แต่อาศัยจิตนั้นเป็นตัวทําให้วายโยธาเดืรือธาตุลมมาเนะหรือทําให้จิตแต่ชื่ปเป็นไปทําให้มีการเสียดสยีนะแล้วก็ทําให้เสียงนั้นเปล่งออกมาดังออกมาได้นี่เป็นอย่างงี้นะแต่เปล่งออกมาแล้วกลายเป็นความโศกจะ เ, เป็นปริเทวะนี่เป็นอย่างนี้ปริเทวะใครเคยบ่นเพอ้อมาบ่อยไหมเขาบอกว่าในสมัยก่อนอนะไร ก็คนหนึงไปร้องไห้ร้องไห้อะไรบอกร้องไห้ลูกตายลูกตายก็ร้องไห้เนะอยากให้ลูกฟื้นเนี่ยบ่นร้องทุกวันไอ้เขาบอกที่นีกคนนึงอะไปเห็นนี่านี้ทำยังไงจะช่วยได้บอกแกก็เลยไปยืนอยู่ใกล้ๆนั่นไงแกก็ไปร้องด้วยแกก็ไปร้องอีกคนหนึ่งก็ถามแล้วร้องดังก็เวลาไปร้องเนี่ยถ้าอีกคนนึงร้องดัง ร้องดังกว่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ says, ่งมหยุดนะว่ามันหยุดให้สังเกตนะถ้าไปมีใครร้องไห้เนี่ยถ้าเราไปร้องดังกว่าเนี่ยก็อีกคนที่ร้องร้องก่อนมันจะหยุดมันจะมาเอะใจเราเพาะเอ๊ะทำไมถึงร้องไห้ก็ถามได้ไหมบอกเองร้องไห้ทําอะไรก็บอกว่าเขาอยากจะได้ดวงอาทิตย์เนี่ยมาทำวงวงล้อเขาไอ้คนที่ร้องไห้ที่หลังเขาบอกว่าอยากจะได้ดวงอาทิตย์ที่กําลังขึ้นมาใหม่ๆกาลังสวยเนี่ย ต้องการดวงอาทิตย์น่ยมาทําวงล้อวงล้อรถวงล้อเกวียนเนี่ยเนี่ยทีกคนนี้มันก็หึดาใหญ่เลยใช่ไหมว่ามึงบ้าบอกกันพระพภอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าอย่ามาทําวงล้อยังไงก่อนตนนั้นก็เลยถายแล้วเองร้องไห้เลยบอกอยากจะต้องการร้องไห้เพื่อขอให้ลูกฟื้นก็เลยบอกเอตังนี้ใครบ้ากันก็ก็บอก บอกข้ายังมองเห็นนะดวงอาทิตย์เนี่ยแต่เองเนี่ยลูกตายไปแล้วเน่ไม่เห็นเลยเนี่ยถามว่าใครบ้ากว่ากันว่ากันน้าอย่างนี้ในสุดก็เลยหยุดร้องหยุดปริเทวะไปเลยถ้าบอกกันจริงๆก็คือคนคนนั้นมาช่วยมาช่วยเพื่อไม่ให้โศกไม่ให้ไม่ให้เกิดปริเทวะต่อหลังไอ้ปริเทวะปริเทวะนี่ หมายถึงอะไรนะความคร่ำครวรสภาวะทำให้เราสัตว์คร่ำครวญเนี่ยนะอันนั้นก็ดูจากจิตตวิปราสัทธาที่บนเพืออ ม, มาเป็นประมาณก็แล้วกันตอนที่พระบรมศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายนะ่ะเกิดปริเทวะกันมากจริงๆอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เทวดาก็ยังสำคัญว่าพื้นบนอากาศเป็นพื้นแผ่นดินหรือบางพวกก็สาคัญพื้นแผ่นดินเป็นอากาศ เดินสยายผมไปมาเต็มไปหมดนะนีได้บรรดาปุรุชนที่เป็นเทวดาหรือเศคาบุคนที่ยังสามารถร้องไห้ได้อย่างเป็นวระโสดาบันเนี่ยนะที่ยังร้องไห้เป็นเนี่ยนะที่ยังมีปริเทวาอยู่ก็ร้องกันก็ร้องกันแต่บางคนก็ร้องแบบสยายผมไปมาเลยแปลว่าร้องจริงๆนะร้องสยายผมเลยนะร้องลืมตัวนะร้องแบบสยายผมนั่นในชีวิตจริงที่เกิดมาเคยไหม เคยขนาดลงไปดิ้นสยายผมถ้าเด็กๆแล้วก็อาจจะเป็นใช่ไหมไม่ได้ขนมลงไปดิ้นชักเลยเนี่ยบางคนะเราจะรู้เราจะรู้ได้ไงแล้วเคยเห็นนะเคยเห็นกลุ่มปรีเทวาเนี่ยบางทีเรื่องนิดเดียวก็ปรีเทวาได้นิดเดียวแค่นั้นแหละมีใช่ไหมนั่นแหละก็คือปรีเทวาปริมาณจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่โทสะของท่านผู้นั้นมีประมาณมากหรือน้อยนะ โทสะมีวะโทสะเขาเรียกโทสะมีแผนเอาต่อไปคือทุกทุกคือสภาวะทนได้ยากเห็นไหมทุกนี่คือสภาวะที่ทนได้ยากทุกคียตีติทุกขังเนี่ยแปลว่าทุเพราะทนได้ยากอันนี้ตรงตัวเลยคำว่าทุกเนี่ยถามว่าทุกคืออะไรออกทนได้ยากมาจากคําว่าทุกกุชิตังหุตวากายยิกสุขขงัง ขณะตีติทุกขังแล้วก็วาทุกขามันติทุกขังเนี่ยเขาแปลก็คือว่าธรรมชาติใดเป็นที่น่าเกลียดและทําลายความสุขธรรมชาตินั้นถูกน่าเกลียดไหมน่าเกลียดเพราะเขาทําลายความสุขใช่ไหมนั่นเราเรียกว่าทุกหรือสัตว์ทั้งหลายย่อมอดทนได้ยากต่อเวทนาใดฉะนั้นเวทนานั้นชื่อว่าทุกขอีกในหนึ่งก็บอกมาจากคำว่าคำมิตุง ทุกรันตังทุกขังเนี่ยเวทนาที่อดทนได้ยากฉะนั้นเวทนานั้นชื่อว่าทุกขทุกในที่นี้คือทุกขเวทนาคือทุกที่เกิดขึ้นทางกายนะมาจากคำว่ากายยิกะทุกขไม่ใช่เจตสิกทุกกายยิกะทุกทุกทางกายนี่ในพระวิธรรมว่าไงทุกขะสหคตากายวิญญาณจิตทุกขะสหคตากายวิญญาณจิตเนี่ยเขาแปลว่าอะไร จิตที่ทําให้เกิดความทุกข์กายเนี่ยนะถ้เรียกทุกข์ขาดสหคตากายญวิญญาณก็แปลว่าความความทุกข์กายความทุกข์กายเนี่ยเป็นเป็นเหตุหรือเป็นผลความทุกข์กายเป็นเหตุหรือเป็นผลทุกข์กายต้องเป็นผลดิใช่ไหมทุกข์กายนี่เป็นผลลักษณะของความทุกข์ธรรมชาติใดเป็นของน่าเกลียดย่อมขุด ทำลายเสียซึ่งสุกกายเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าทุกข์หรืออัตวะทนได้ยากเนี่ยคำว่าทุกเนี่ยถ้าอาจารย์พวกอื่นบอกว่าการให้โอกาสแก่ทุกนี้อันสัตว์กระทาไม่ได้โดยยากเขาบอกงั้นสถานที่คําว่ากายยะกายยะเนี่ยคือเป็นบ่อเกิดเป็นสถานที่ที่เป็นไปถามว่าเป็นบ่อเกิดหรือเป็นสถานที่เป็นไปแห่งบาปธรรม ท, ทั้งหมดอันบัณฑิตทั้งหลายเกลียดเขาบอกงั้นคำว่ากายเนี่ย ถามว่าบัณฑิตเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นน่ยชื่นชมกายหรือชื่นชมกายหรึเปล่าหรือลังเกียรติกายนี้หน้าลังเกียดทั้งนั้นฉะนั้นคําว่ากายแย่สับเนี่ยนะท่านจึงเรียกเป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดเป็นสถานที่เป็นไปของบาปประธรรมทั้งหลายถามว่ากายยินซีเนี่ยอินทรีย์คือกายใช่ไหมยินซีคือกายเป็นเหตุพิเศษแห่งบาปประทรับด้วยอานาจในความยินดีในโผฏพลานั้นเป็นต้นน่ยทีนี้ ไอบาประธรรมนะ่ยมีกายยศาสตร์นั้นเนะ่ยเป็นมูลเพราะยึดถือผลิภัพฑ์เป็นเป็นของตนเนี่ยนะฉะนั้นกายยินทียินรียท่านจึงถือเอาว่าดุดสถานที่เป็นไปของบาประธรรมกายยินทรีในใน ย, ยินทรีย์คือกายเนี่ยนะถามว่ากายกายโยกายศาสตร์ ส, สัมภาระคือกายเนี่ยเพราะอาจถว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งส่วนที่น่าเกลียดทั้งหลายเช่น เกษาโลมานะขาเป็นต้นเนี่ยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเนี่ยแม้กายปายปัสสัตท่านก็เรียกว่ากายใช่ไหมกายปายปัสสัตเนี่ยเพราะเป็นไปร่วมกันกัดสัดสัมพาวะละของกายนั้นชีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของกายแบบนี้เขาบอกทุกกายเนี่ยน่าเกลียดไอ้กายนั้นมันน่าเกลียดอยู่แล้วใช่ไหมสภาวะของเขาเนี่ยแต่เขาเป็นบ่อเกิดของบาปประธรรมเป็นบาปประธรรม อาทำไมเป็นบอกเกิดถามว่าในกายยะต萨ในสตรีดาทัท้งร่างกายทั้งหมดถามว่าในขณะที่เราเราเอาผ้ามากระทบกับกายถามว่าโดยส่วนมากบุญหรือบาปเกิดหรือกายเรากระทบกับพื้นกระทบกับอะไรต่างๆโดยมากบุญหรือบาปเกิดถามว่าเราผืนหนังผืนกายยะ菩萨ที่ทั่วไปเลยนะ ที่ผมก็มีกายยประสาทนะรากผมขนก็มีเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, าม้ามหัวใจไตตับทังผือไส้ใหญ่ไส้น้อยอ่านใหม่เนี่ยในในในกลุ่มพวกนี้มีกายยประสาทหมดเลยเนี่ยถามว่าที่มันกระทบทั้งข้างนอกทข้างในเนี่ยบุญผัสสะที่มันกระทบเนี่ยนะโพธพารมณ์กระทบกายยประสาทกายทวาร น, นี่นะแล้วเกิดกายยวิญญาณเนี่ย ประชมกันแล้วเนี่ยมันได้บุญหรือได้บาปเป็นส่วนมากโดยมากภาษาตัวนั้นทําให้เกิดเวทนาใช่ไหมตามมาด้วยตัณหาไหมถ้าตามมาด้วยตัณหาก็แสดงว่านั้นแหละเขาจึงบอกเป็นบัณฑิตทั้งหลายถึงบอกเส้นสถานที่ที่เป็นไปอย่างบาปประทามทั้งหลายอ่ะบัณฑิตเขาเกลียดโอ้หน่าเกลียดมากกายเนียวงั้นนะมันเป็นที่ประชุมบาปเป็นส่วนมากบัณฑิตทั้งหลายเขาจึงต้องโอ้ยมันต้องคอยระวังมากใช่ไหมเพราะ สถานที่กระทบมันเยอะไหมยเยอะมากนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องกระทบอะไรลมกระทบเดินนะอ้แต่าพัดลมกระทบอีกแล้วเห็นไหมลมพัดอดดีใจไม่ได้อูซ์ยเย็นดีจังอ่ะถ้าร้อนละ่ะ อ, อ้าทุกข์ใจโกรธเธออีกแล้วโดยฉะนั้นถึงบอกว่าบัณฑิตจึงรังเกียจไงเป็นบ่อกเกิดและน่าเกลียดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่เกิดของผมผมก็น่าเกลียดโดยประการอะไรต่างๆ น่าเกลียดโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยที่อยู่โดยโดยอาหารใช่ไหมผมก็กินอะไรกินเลือดกินหนอง <c oughs> ไม่ได้ดีอะไรเลยแต่อย่าพูดเนื้ ง, งามเนื้กอกว่างั้นนะถ้าใครบอกว่าผมคุณไม่งามเลยเนี่ยก็โกรธใช่ไหมลักษณะแต่พาต้องรีบโกนทิ้งซะเอาไว้นายเอาไว้นานไม่ได้เดือดติดอีกกลับไปโกนทิ้งให้หมด <c oughs> ไม่ได้มากว่นเลยโยโหมโกลหมดเลยบอกทำไมอาจารย์บอกน้าเกลียบเห็นมันน่าเกลียดเลยโคลทิ้งเราบอกเอออะไรโปรงเร็วขนาดนั้นภาพโคลนึ่งนานยังโปรงไว้ได้โยมปรงได้เร็วกว่านี้โอ้เนี่ยคนมีปัญญาเนะยอย่างนางนางประชาบดีโคจะมีใช่ไหมนางประชาโคตบดีโคจะมีน่ะเพียงเห็นคนอื่นฟังธรรมเจ้าพุทธเจ้าไม่กี่ครั้งฮะังเกียติผมเลยไปโคนทิ้งไปเลย โกลแล้วไม่โกนเปล่านะเชินบริวารตันดีอยูหร้อยโกลงหมดโกลงหมดแลกลเสรล้ดเดินเนเท้าเปล่านะบอกต้องการสละทุกอย่างแนละ้วเดี๋ยวว่าจะผมเลยดูที่เนี่ยเขลังเกียจบัณฑิตเขลังเกียจกันแต่คนพานยึดถือมากนะเดี๋ยวนี้ก็มีธุ ร, รกิจอย่างดีเลยนะธุ ร, รกิจผมเนี่ยนะยเจิ้มธุ ร, รกิจผมว่ะ <g ly> ต่อไปตรึกี้ดีนะโอ uh, ้ยกายนะ่าเกียดมากกว่านั้น นี่แหละเขาต้องบอกทุกข์กายมันเกิดมาจากอะไรในเมื่อมีกายกายยปัสสัตวมากมายถึงแบบนั้นมันเลยเป็นที่ตั้งของความทุกข์เขาต้องบอกว่าธรรมชาติใดเป็นของน่าเกลียดกายไม่น่าเกลียดอยู่แล้วใช่ไหมย่อมขุดทําลายซึ่งสุขกายเพราะเหตุ น, นั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าทุกข์แล้วก็ทนได้ยากนี่สภาพของทุกข์เป็นอย่างนี้ในเมื่อมีกายแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์ ถ้าม่ใครมีกายใหญ่ปริมาณรับความทุกข์ก็มากขึ้นพระเทวทัตเท่าไหร่สูงเป็นร้อยโยดโยดหนึ่งิกิโลเมตรดูปริมาณแผ่นหนังแผ่นกายประสาทของพระเทวทัตจะมากสักปันใดแล้วก็เจอท่อไฟเนี่ยนะวิ่งมา8ทิศนะว่าโอ้โหโดนย่างนะเหล็กใหญ่กว่าเสานี่เป่าขาดนะปริมาณของไฟในนรกนะ เป่าขาดเลยก็อยู่ที่ว่าโทษไอ้ตายด้วยจิตอะไรตายด้วยบุญหรือตายด้วยบาปทําบุญให้เกิดขึ้นได้ไหมถ้งหมดอายุไขเอางี้ดีกว่าสัตว์นรกโดยมากกายทุจริตหรือกายสุจริตฮะสัตว์นรกโดยมากได้กายทุจริตหรือกายสุจริตว่าจีทุจริตหรือว่าจีสุจริตมโนทุจริตหรือมโนสุจริตดูตรงนั้นถ้าเขาทําทุจริตอยู่เนืองเนืองเนี่ยลองคิดดูเป็นอาจินกรรม โอ ก, กาสพน้นก็ยากจังบางครั้งบางคราวท่านใช้คำว่าบางครั้งบางคราวถ้าเข้าไปแล้วแปลว่าอยู่ยาวเนะี่นั่นจะเป็นบ้านอยู่ยาวเลยถ้าใครหลุดเข้าไปแล้วอยู่ยาวกันเลยนะอยู่ยาวเลยใครต้องการเป็นสมาชิกไมนะ้มเนี่ยต้องการั้ยถ้าไปแล้วอยู่ยาวเลยใช่ไหมถ้าไปก็อยู่ยาวเพราปริมาณความทุกข์เยะมาก ทีนี้เขาบอกว่าธรรมชาติใดทนได้ยากฉะนั้นเวทนานั้นชื่อว่าทุกข์ได้แก่กายยิ ก, กทุก์เวทนาทุกข์ที่เกิดจากทางกายเนี่ยนะมาจากลักษณะของเขาคือมาจากกรรกายะปี ร, า ร, น, รนาลขะนงลักขะนังเนี่ยนะมีการเบียดเบียนกายเป็นลักษณะเมื่อมีลักษณะไหมถามว่ากายเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าตัวเวทนาชื่อเป็นทุกขเวทนา ทกเวทนาเกิดจากสัมผัสดีหรือไม่ดีเกิดจากสัมผัสที่ไม่ดีเนี่ยนะตรงนี้แหละก็เป็นปัจจัยเกิดทุกข์กายทุบ ป, ปัญญานังโทโมานัสสะกาณาระรัสังมีความเป็นเหตุให้โกรธเสี ย, ยใจเกิดขึ้นแก่ผู้มีปัญญาน้อยเป็นกิโอ้โหคนมีปัญญาน้อยเวลาโดนไม้หล่นใส่หัวโกรธไหมโกรธใช่ไหม สดดต่อโกรดเห็นไหมเนี่ยแค่ไม่ต้องอะไรมากกลุ่มมีปัญญาน้อยไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรมากแค่นี้เดียว ก, กระทบนี้เดียวก็ไม่ได้โทรอะไรนี้เดียวก็ไม่ได้ก็แปลให้ทุกกายสักนิดก็นั่นแหละก็โทสะก็ตามมาแป๊บแปเย้ผ้าอยู่ดีๆเข็มเข็มทิมนิดเดียวแค่นั้นโอ้โหโกรธกร็โพธาพ่างไงทั้งบอกว่าเห็นไหมว่ามันเป็น มันเป็นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดโทสะสําหรับคนมีปัญญาน้อยคนมีปัญญาน้อยโทสะจะเกิดขึ้นเพราะใสยทุกข์กายอย่างมากแล้วลองคิดดูดีถ้าตกนรกปริมาณของโพธพาลมนหนาแน่นไหมหนาแน่นมากความทุกข์ก็เยอะลองคิดดูละท์รนรกจะโกรธไหมนั้นถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะทําให้เราเห็นอะไรมากขึ้นแนะว่าเหตุที่เรากระทบกระทั่งนิดหน่อยแล้วก็โกรธ ให้นึกถึงสัตว์นรกบ่อยๆว่าสัตว์นรกนั้นน่ะขนาดเขากระทบแรงถึงป่านนี้ฝึกไว้ฝึกเขาไว้หล้มตูมก็ให้นึกมนสิกานี่ทันนะนีบอกเออทายังไงโทสะไม่แล่นเร็วยากไห้เนี่เด่นกว่าแต่ก็ต้องรอบรู้ไว้ก่อนใช่ไหมก็กําหนดรอบรู้เขาไว้เนี่ยโทษของการไม่รอบรู้กันนะต้องบอกว่าโทมานัสเป็นไฟทุกขานี่เป็นไฟไหมเป็นไฟใช่ไหม เพราะเป็นปัจจัยเกิดความโกรธนี่แหละโทษของการมีอะไรโทษการมีกายใช่ไหมความทุกข์ที่เกิดทุกกายเกิดขึ้นก็คือโทษที่มีกายการมีกายมันก็ทุกกายมันก็มีกายมีกายก็ทุกกายทีนี้ไอ้ทุกกายถ้าเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาท่านผู้นั้นก็ตัวรอดไประดับหนึ่งแต่ถ้าทาให้เกิดโทสะเสียหายมาก ไม่ต้องอะไรนะบางทีคนอื่นกระทบไม่แรงเลยนะแต่ด้วยอำนาจถึงความยึดถือใช่ไหมมีคนเดินผ่านๆมาก็เอามือลูบหัวเล่นนกระทบแค่นี้บอกอืเครียดมากนะถ้าคนที่ลูบหัวเรานั้นเป็นคนที่เราไม่นับถือเนี่ยใช่ไหมเป็นคนที่เรารังเกียดด้วยทเพราะอาศัยสัญญาเก่าๆโอ้ตามมาด้วยโทรมานัดเลยแั่บางทีไม่ได้ทุกกายเท่าไหร่นี่ใช่ไหมนิดหน่อยเท่านั้นเอง นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นปัจจัยเกิดบาปเป็นส่วนมากอภิการต่อมาคือกายยิกกาพาธาปจุปถานังมีความเจ็บป่วยทางกายเป็นผลถ้าขนาดนี้ก็ถึงว่าก็คนที่มีโรคนะจักขุโรโครโสตะโรโคคาณนาะโรโคศี ส, สะโรโครเนี่ยโรคตาหูจมูกลิ้นกายถามว่าถ้ามีผมก็โรคที่ผมเ่ยขนก็โรคที่ขนเนี่ยเห็นหมันเป็นทุกข์เหตุความทุกข์กายทั้งนั้นน่ยเล็บ โอ้ห oh, ปวดเล็บนี่ฟันหนังห น, นังทุกแผ่นหนังเลยนะเนื้อในเนื้อยังมีกายยบศาสารอีกเนีเห็นไหมในเนื้อเอ็นบอกในเอ็นก็มีใช่ไหมในกระดูกก็มีอีกเยื่อในกระดูกโอ้โหเคยดูแลเคยโดนมาแล้วเยื่นในกระดูกเคยเจาะไขสันหลังไหมลนะ่ะโอ้โหแล้วจะเจ็บตอนตอนเจาะเข้าไปก็เจ็บอีกระดับหนึ่งนะ ตอนดูดเอาไขสันหลังออกมาโอ้ยทรามานมากมีกายยบศาสตรยันในไขสันหลังอะ่ะขนาดนั้นนะบอกโอ้โหมันคําว่ากายนี้มันมันขนาดนั้นเลยเนะเอาไม่ปอดนะเคยโดนเจาะปอดไหมล่ะเจาะเอาน้ําออกเนี่ยถ้ายังไม่เคยใช่ไหมในปอดก็มีกายยบศาสตรไตก็มีโอ้โหโดนมเยอะเนี่ยกายยบศาสตรมีหมดแหละเป็นที่ตั้งของทุกข์ได้หมดเลย นี่เนี่ยเราเรามีอะไรมากันไมรู้ใช่ไหมเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตาฟังผือดเนี่ยไส้ใหญ่ไส้น้อยเนี่ยเออเรามีอะไรมีกายยะมีกายเหล่านี้มากายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อเยื่อในกระดูกเนี่ยไอ้กายเหล่านี้เป็นที่ตั้งของกายยะวิญญาณจิต เมื่อเป็นที่ตั้งของกายวิญญาณจิตได้ก็เป็นที่ตั้งของนามะขันธ์สีได้เมื่อเป็นที่ตั้งของนามะขันธ์สีได้ตัวเขาเองก็เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมเมื่อเป็นในลักษณะอย่างนี้เขาก็เลยเป็นปัจจัยเกิดความโศกได้เป็นปัจจัยเกิดเวทนาได้โทมัสเวทนาเวทนาทางกายได้โอ้มันทุกข์เนนะียเนี่ยทกกายถ้าทุกขกายแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อบมาเราจะตามมาด้วยอะไรทุกข์ใจเราจะตามมาด้วยทุกข์ใจ เห็นไหมมีมีกายกันแต่ละชิ้นเนี่ยพระลรหันท่านไม่ทุกข์ใจนะภริยาบุคคลทั้งหลายท่านไม่ทุกข์ใจนะถามว่าพระลรหันท่านมีอกุศลจิตไหมมีเวทนาในโทสัมมัยไม่มีแล้วใช่ไหมท่านก็มีโทมนันมองเห็นใช่ไหมพระลรหันนี้ประหารอากุศลหมดหรื อ, อยังหมดหรื อ, อยังหมดแล้วเนี่ยใครนั่งอยูน่นี้ใครบอกว่ า, อ, าอู้ถ้าใครบอกถ้าใครบอกว่าอู้ ข้าพเจ้านี่สมมติเราบอกว่าโอ้โหข้าพเจ้านี่เจ็ดแปดสิบเก้าร้ยยี่สบเอ็ดดวงเคยเกิดกับข้าพเจ้ามาแล้วเนี่ยรีบเข้าหาเลยเนะ่ยครบอกอย่างนั้ น, นสแสดงว่าท่านบุญนั้นน่ะรีบไปทําบุญเลยวิ่งหากี่วรทําบุญใหญถวายใหญ่ใช่ไหมแสดงแล้วนั่งอยู่นี้มีใครเกิดหมดหรือยังเนี่ยรไม่ใช่ไหลาร้อยจ้องจะทําบุญอยู่ไม่ใช่แล้ว <laughs> บาราณาบุญนี่ กายประสาทาปะปทัฐานางังมีกายประสาทเป็นเหตุใกล้กายประสาทนี่แหละตรงไหนมีกายประสาทตรงนั้นเป็นเหตุใกล้ของอะไรของทุกทุกในที่นนั้นคือของเวทนาไอตัวเวทนาคือนามขันมันจะวิ่งแปรสายกายประสาทหมดต้องให้มีกายประสาทนั่นคือเหตุใกล้ของของเวทนาในกายทีนี้ถ้ากายประยาประสาทถูกกระทบกระทั่งไอทุกขเวทนามันก็จะตาม สวยรสของอารมณ์นั้นตามปริมาณของโพธพารมณ์ที่กระทบไอโพธพารมณ์ที่กระทบเนี่ยมันไม่ใช่โพธพารมิตภายนอกอย่างเดียวบางทีโรคที่เกิดในร่างกายในสรีรัของท่านผู้นั้นนี่นนยทำลายซะเองไงนะอย่างเช่นเชื่อมะเรงไงนะแท้จริงก็คือเชื้อโรคไงนะที่กอกให้เกิดมะเร็งมันก็กินกายศาสตร์ไปเออมันก็กินกระทบกายภาสตรทําให้กายศาสตร์เนื้อ เกิดการกระทบกระทั่งโดยความเจ็บปวดใช่ไหมไอเวทนาที่อาศัยนั้นก็เสวยรสของการกระทบที่ความเสียหายของกายประสาทอย่างนี้เป็นต้นมันเลยทุกเอนอะเลยทุกนี่เป็นอย่างนี้พระพุทธโคสาจารย์แสดงไว้ในสัจจะวิพังคอัตกถาและวิสุทธิมักแสดงว่าไงปีเรติกายิกมิทางทุกขันจะมานสังพินโยชคญญติญาสมาตัสมา ทุกขันติวิเศษโตวุตังก็แปลบอกว่ากายิกทุกข์ย่อมเบียดเบียนผู้ที่กําลังได้รับความทุกเนี้และสามารถทําให้ทุกขใจเกิดขึ้นได้มากด้วยเหตุใดเหตุนั้นอะพุทธองค์จึงตรัส ว, ว่าเป็นทุกพิเศษเพราะกายยึดกระทุกในที่ตรัสว่าเป็นทุกพิเศษเพราะเมื่อทุกกายเกิดขึ้นแล้วสามารถเป็นปใจใัจจัยเกิดทุกใจได้ ทำเช่ไหนเนะาะแต่ทุกกายปกติมีอยู่ใช่ไหมเออถ้าหากาพระญาตบุคคลทั้งหลายท่านจึงมองว่าท่านอิดหนาละอาใจากายละเกินเลยนะโอ้กายเนี่ยไม่ดีไม่งามเลยไม่ปรารถนากายอีกต่อไปท่านก็รอบรู้ในท่า น, ท, าน ท, าทําปริญญาในกายเรียบร้อยหมดเลยแต่เหลือแต่กลุ่มมีปัญญาน้อยทั้งหลายก็โม้ชื่นชมกายกันอยู่นี่ระวังเลยนะพวกเราด้วยเปล่าเนี่ยด้วยนะอ่ะ หวังกายในอนาคตไหมอย่าอะไราอววรกายในอดีตอย่าหวังชื่นชมกายในอนาคตจงปฏิบัติเพื่อเบื่อนายคลายกำหนัดกายในปัจจุบันต่อไปจะได้ไม่ต้องไปมีทุกข์กายออบการต่อไปอะไรธอมมนัทธอมนัทนี่เป็นชื่อของอะไรเนี่ยธอมมนัทเป็นชื่อของโทสะเนาะขอเป็นซื่อชื่อของใช่ชื่อของโทสากว่าโทมมนัเนี่ ใช่จริงคําว่าโทมนัตโทมานัตแต่ดูวัจนะถาก่อนนะทุมานัสสะภาโวโทมานัสังทุมนะเขเรียกทมมนะคําว่าทมมนะนี่เขแปลว่าใจชั่วทุ่มมานะทบวกมนะนะมานะคือใจใช่มหมทุ่มคือชั่วภาวะแห่งใจชั่วหรือบุคคลผู้มีใจชั่วชื่อว่าโทมานัตโทมนัตเนี่ยเป็นเหตุของทุกขเวทนาที่มีในใจนะนี่เป็นอย่างนี้เขาเรียกโทมานัต ไอ้โทมานัตกับปฏิฆานี่เหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนโทมานัตเนี่ยเป็นชื่อของทุกขเวทนาที่มีในใจทีนี้จิตที่ส่องละคดในโทมานัตนั้นชื่ออะไรโทมานัาตสักตจิตใช่ไหมถ้าปฏิฆาล่ะก็าแปลว่ากระทบกระทบอะไรกระทบอารมณ์ได้แก่โทสะโทมานัตโทมนัตได้แก่อะไรได้แก่ทุกขเวทนาแต่ถ้าปฏิฆาได้แก่โทสะ ไอ้ต่างกันนะต้องแยกนะธมนัสสาค่าตังปาติฆะสัมป ย, ยุตตังเห็นไหมไอ้ตัวโโมนะนี่สัมปยุตด้วยโทสะเจตสิกเย้ไหมไอ้ตัวเวทนานั้นไปบวกกันกันกบโทสะจิตโทสะเจตสิกเนี่ยเพราะไอ้ตัวปฏติฆะนี่เขแปลว่ากระทบได้แก่โทสะไอ้โทสะเนี่เป็นไปประดุดกระทบกระทั่งอารมณ์ไอ้สภาพของโทสมันดุร้ายใช่ ฉะนั้นคุณลักษณะของปฏติฆาเนี่ยให้สังเกตแยกให้ออกนะปฏติฆานี้เป็นชื่อของโทสะโทมนัทเป็นชื่อของทุกขเวทนาทุกขเวทนาในโทโทสะมุรจิตเป็นทุกขเวทนาในโทสะมุรจิตอ่ะดูเถอะเป็นเหตุให้ไม่สบายใจธรรมชาตินั้นชื่อว่าโทมนัทได้แก่เจตสิกที่ชื่อว่าโทมานัทสเวทนาเห็นไหมได้แก่โทมานัทสเวทนา ตัวโทมนัสเวทนานี้เอาโทเอเวทนาหรือเอาโทสะอเวทนานะไม่ใช่เอาโทสะนะเพราะโทสะนั้นคือปฏิฆาตัวกระทบกระทั่งอารมณ์ฉะนั้นเวลาเราท่องกันเนี่ยเราจึงท่องบอกว่าโทมนัสสัคตังสสาคตังปฏิฆาสมประยุตังตัวโทมนัสเวทนาเกิดพร้อมกับโทสะนั่นเองนี่เป็นอย่างนี้โทสะอย่างเดียวก็จะแยกอยู่แล้ว ยังบวกด้วยโทมณนัสเวทนาก็อบวกด้วยเวทนาก็าอีกถามบอกว่าเหตุให้เกิดความไม่สบายใจคือโทมนัสเวทนาเนี่ยนะที่กล่าวถึงทุกขสัจจะตามสุดตันตนในก็คือว่าประสบสิ่งที่ไม่พอใจอปิเยหิสัมเปโยโคทุโขทัดภาคจากสิ่งที่รักปิเยหิวิปรปโยโคลใช่ไหปราถนายอยู่ย่อมไม่ได้ ยามปิดฉังนรปฏิสามความหมายใช่ไหมปีอปิเยหิสัมปโยโคปีเยหิวิปโยโคยามปิดฉังนราปฏิลักษณะอย่างนี้แสดงไว้ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ประสบสิ่งประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจใช่ไหมมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์พัดไปบอกว่าพัดภาคจากสิ่งนั้นเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปอะสอบสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาอยู่ย่อมไม่ได้ก็เป็นทุกข์ด้วยเหตุนั้นพระเจ้าจึงตรัสเตือนพุทธบริษัทไว้ในสั่งยุติพระบาลีบอกว่ามาปิเยหิสมาคันชีอปิเยหิกุธาจนางปิยานังอทัทสนังทุกขงัง an ja an อปิยานั้นจะทัศนังกลงจงอย่าอยู่ร่วมกับผู้ที่เรารักในเยอรมนีก็เหมนพระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าอยู่ร่วมกับคนที่เรารัก และอย่ า, อ ย, าอยู่ร่วมกับรมที่เรากับคนที่ไม่ถูกกันถ้าเรารักใครมากๆอย่าไปอยู่ร่วมจะเป็นปัจจัยเกิดโทมนัตไหมเป็นไม่เป็นถ้าเรารักมากๆแล้วเราอยู่ร่วมและอย่าอยู่ร่วมกับผู้ที่เราไม่ถูกหรือเราเกลียดเนี่ยเพราะการที่ไม่ได้เห็นผู้ที่เรารักก็ดีการที่ได้เห็นบุคคลที่เราไม่ชอบก็ดีเป็นทุกข์ไหมล้วนเป็นทุกข์ทั้งหมดอ่านแล้วไม่ใช่เชื่อแล้วเนี่ย อ, อ่านแล้วเชื่อพุทธเจ้าไหมคำนี้ อย่าอยู่ร่วมกับคนที่เรารักอย่าอยู่แล้วคนที่เราไม่ถูกกันมันเป็นทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะเนี่ยดูลักษณะลักษณะ ป, ประฐธฐานปัจจุบประฐานประธาะฐธานของโทมมนานะัตนะจิตตะปีรนาลักษณะมีการเบียดเบียนใจเป็นลักษณะมีการเบียดเบียนใจเป็นลักษณะมโนวิขาตลรสังมีการท ร, ร, รมานใจเป็นกิจกิจในที่นั้นแปลว่าหน้าที่นะ แปลว่าการงานของเขามานะมานะสะพยาทีปัจจุปถานังมีความไม่สบายใจเป็นผลหัตยย่วัตถุประทัดฐานังมีหัตย์ย่าวถุเป็นเหตุไกลตัวโทสะมูลจิตอาศัยอะไรเกิดอาศัยหัตยย่วัตถุเกิดท่านเอาหมายเอาหาัตยย่วัตถุเป็นเหตุไกลของของโทมของโทสะนั้นของโทมานันั้นเพราะโทมานัสนี่เป็นตัวโทสะจิตอยู่แล้วนะ โทสะจิตเป็นปัจจัยโทมนัสนี่แรงกว่าปริเทวะหรือน้อยกว่าปริเทวะโทมนัสนี่แรงกว่านะแรงกว่าทุกกายด้วยแรงกว่าปริเทวะด้วยลักษณะของโทมนัตให้สังเกตดูกิตของเขามีการทรมานใจเนี่ยฉะนั้นตัวโทมนัตนี่นะจะจะมีอาการที่ทรมานใจมากด้วยตัวโทมนัตเนี่ยนะ มีมีความทรมานใจด้วยนี่เป็นอย่างนี้นะว่าไอลักษณะของล <Okay. S 1> ักษณะของโทมนานัทเนี่ยถามว่าที่เกิดมากันในปัจจุบันภพเนี่ยนยที่สูญเสียที่เกิดจากพยาศนะห้าอย่างเนี่ยสูญเสียญาติสูญเสี ย, ย, สยโภคทรัพย์แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนศีลหรือทิฏฐิวิบัติเนี่ยถ้าถึงขั้นโทมนัทนี่แปลว่าหนักแล้วนะ แปลว่าหนักแล้ตัวโทมนัสนี่โดยมากบางทีบางทีลองลองจากชีวิตเลยนะเนี่ยไอตัวโทมนัสนี่ลองลองจากชีวิตเลยอภการต่อไปดูอุปายาตนี่นะอุปายาตนี่ค่อนข้างจะแรงตัวนี้นะเพราะว่าโทมนัสนี่เป็นความเสียใจอย่างค่อนข้างระดับระดับแรงแล้วนะแต่ไม่มากสุดแต่ถ้าหาอุปายาสมาจากคาว่าผูโสา อาญาสนังอุปายาสะเนี่ยความลําบากใจอย่างหนักชื่อว่าอุปายาตไอตรงเนี้ยท่านจัดเอาความลําบากใจค่อนข้างอย่างหนักเขาเรียกความคับแค้นใจอย่างยิ่งอุปายาตเนี่ยนะความคับแค้นใจนี่คืออะไรความไม่สบายใจคือความเร่าร้อนใจนั่นแหละอุปายาตเนี่ยต่างจากโทมา น, น, นะจะไม่เพราะโทมานะเสียใจมีใจเป็นทุกข์แต่ถ้าอุปายาตเนี่ยคับแค้นใจ ความคับแค้นใจได้แก่โทสะเจตสิกที่อาศัยพยาศนะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นใช่ไหมอ า, อาศัยอาศัยแหละอาศัยญาติความวิบัติแห่งญาติความวิบัติแห่งทรัพย์ความวิบัติแห่งโรคความโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นและก็ความวิบัติแห่งศีลและก็ความวิบัติของสัมมาทิฏฐินะอุ ป, ปาญาตเนี่ยเป็นความลำบากใจอย่างหนึ่งคือความคับแค้นใจหรือเสียใจอย่างใหญ่หลวงนะ สืบเนื่องมาจากโศกะปริเทวะสืบเนื่องมาจากความโศกความร่ําไรร่ำไรลำพันเนี่ยสืบเนื่องมาจากตรงนั้นความโศกเสียใจครั้งแรกเป็นโศกะนั่นเขาเรียกความโศกถามเริ่มเสียใจครั้งแรกเป็นโศกโศกะนะเมื่อโศกะมีกําลังมากขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นปริเทวะความเสียใจที่หนักหน่วงสืบเนื่องมาจากปริเทวะ ซึ่งถึงขั้นอุปายาตเนี่ย cast. ซึ่งนับเป็นยอดแห่งความเศร้าโศกเขาเรียกสูงสุดแล้สูงสุดแล้สูงสุดของความโศกเป็นยอดยอดแปลว่าสุดแล้วนะถ้าระดับความโศกเนี่ยถ้าพูดถึงความร้อนเนี่ยนะระดับความร้อนเนี่ยมันแปลว่าระดับเริ่มแรกระดับปานกลางและระดับสูงสุดถ้าความร้อนหรืออุณหภูมิที่มันวิ่งขึ้นสูงสุดเนี่ยแปลว่ามันสุดแล้ว ตรงนี้มาสรุปตรงนี้หน่อยนะตรงที่บอกว่าความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่บอกโสกะชาติเป็นปัจจัยจึงมีแก่โสกกะปริเทวทุกขโทมานัสสะอุปาญาตเหล่านี้ได้มนาจ ป, ป, ปัจจัยหนึ่งคือปรตูปณิสยาปัจจัยก็หมายความว่าเมื่อมีชาติแล้วใช่ั้ยสิ่งที่จะตามมาแก่สัตว์ทั้งหลายก็คือมีชรามรณโศกะปริเทวทุกขโทมานัสสอุปาญาต ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นชาตินั้นจึงเป็นอยู่ในฐานะของปกตูปนิสยปัจจัยแก่ชรามรณะเป็นต้น น, นะความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายในที่นี้ท่านกล่าวว่าที่มีการเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในโลกทุกโลกเลยนะในกาลมาภูมิรูปภูมิและโรภูมิเนี่ยนะก็ได้แก่การหมุนเวียนของเครื่องจักรเครื่องจักรในที่นั้นคืออะไร คือปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาเป็นต้นนั่นเองว่า ง, งั้นแกสัตว์ทั้งหลายส่วนมากก็ว่า ง, งั้นหาได้มองเห็นถึงความเป็นไปของชีวิตดังนี้ก็ไม่มีไหมก็แปลว่าคนเราหลงนะว่า ง, งั้นเถอะยึดอะไรในที่นี้ท่านกล่าวว่ายึดสมมุติสัจจะยึดสมมุติสัจจะคือยึดยังไงยึดยังไงยึดสมมุติสัจจะคือคนตายคนนี้เกิดเราเห็นเราได้ยินเป็นต้นนั่นนะ ซึ่งเมื่อกล่าวตามสภาว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราเขาหญิงชายเป็นต้นน่ะไม่มีไม่มีหรกแต่ธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายมีอยู่จริงๆถ้าในสำนวนคำสอนท่านจะใช้คำว่าความเป็นไปของขันธาอายะทานะไม่ขาดสายทีนี้ความเป็นไปของขันธะอายตานะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามดับไม่ขาดสายเนี่ย ไอ้คำว่าเราเขาชายหญิงเหล่านี้ไม่มีไม่มีอยู่จริงว่างั้นนะไม่มีอยู่จริงจึงเป็นสมมุติฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าซึ่งธรรมเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นกองทุกข์ใช่ไหมไอ้ที่มันเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายเนี่ยและมีความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวงมทั้งปวงตามที่สมมุติกันว่าเราเขาหญิงชายเหล่านี้ก็ไม่ได้มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สร้างการเกิดขึ้นของธรรมเหล่านี้ก็เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอะไร มีอวิชชาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเอวเมตาสาเกวรัสทุขขันธัสาสมุทโยโหติความเกิดขึ้นในกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้พ่อสายปัปจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็แปลว่าความเกิดขึ้นของกองทุกข์เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ถามว่าถ้าจะให้เราสืบคน้น ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกเนี่ยเพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชาเป็นต้นนั้นเป็นยังไงใช่ไหมถ้ามองในแง่ของปัจจัยยกตัวอย่างเช่นอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยมองในแง่อารมณ์ชาติมองในแง่ของอนันตราชาติมองในแง่ของสหชาติชาติและมองในแง่ของปกจจปนิสยาชาติลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นปัจจัยต่างๆใช่ไหมก็คือตามหลักของสภาวธรรมทั้งนั้นที่เกื้อหนุนกัน ทำให้สังขารเหล่านั้นเป็นไปนะเช่นเพราะอาวิชชาใช่ไหมคือมีโมหะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยแก่สังขารคือเจตนาใช่ไหมถ้าหากเจตนาที่ในอกุศลเจตในแง่ของอารมณ์เนะเช่นในแง่ของเจตนาโลภะเนี่ยโลภะมูลจิตนั้นน่ยก็ไปมีโมหะเก่าก่อนในอดีตเป็นต้นเนี่ยนะหรือโมหะที่จะเกิดในอนาคต แล้วเกิดความยินดีพอใจอย่างแรงกล้าก็ได้เช่นยินดีในการลักยินดีในการฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะเออในการลักทรัพย์หรือประพฤติพืชผิดในการเป็นต้นเนี่ยยินดีพอใจอย่างแรงกล้าได้ไหมได้เจตนาที่เกิดร่วมกันกับโลภะอย่างนั้นก็เป็นตัวโมหะจึงเป็นอารามนาที่ปร ด, ดีได้เห็นไหมและในขณะเดียวกันตัวโมหะเป็นอารามนาเป็นอารามโนบุนิสยปัจจัยแก่เจตนาที่ในโลภะก็ได้ หรือเป็นอารามนาปัจจัยธรรมดาก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ในฐานะเป็นอารามนาอารามนาปัจจัยอารามนาธิบดีและอารามนาหูปนิสยัยเห็นไหมว่าเนี้ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้การเป็นปัจจัยในลักษณะเช่นนี้ก็แปลเมื่อเป็นปัจจัยอย่างนั้นเชื่อไหมท่านพูดนั้นจะต้องทํากรรมอย่างรุนแรงเพราะเขายินดีในการที่จะทําบาปใช่ไหม เมื่อเย็นดีในการที่จะทําบาปอย่างแรงกล้าอย่างนั้นเขาก็น้อมในการที่จะทํากรรมอย่างอร่ามอร่อยในการทํากรรมนั้นและในขณะเดียวกันในปัจจัยที่เป็นอนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสยาณติวิคตาอาเสวนะในกลุ่มของชาวนะใช่ไหมที่เป็นโลผ้าชาวนะเนี่ยหรือโทศาสชาวนะหรือโมหะชาวนะที่แล่นเป็นไปเนี่ยในกลุ่มอนันตระชาติก็เข้าไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหม ในกลุ่มของสาชาตาชาติธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบเขาเหตุปัจจัยก็ได้อยู่แล้วเพราะโมหะเป็นโมหะเหตุใช่ไม่๊ะเอาเมื่อเหตุตัปัจจัยได้เนี่ยสหาชาตาิปัจจัยสาชาตานิสยาสาชาตาิทีสาชาตะอวิคตะและอัญญมัญญาศัมปยุตตาเขาได้เห็นไหมว่าในกลุ่มปัจจัยเนี่ยจึงมีมากจริงจึงมีมากถ้ามองในลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอุปปัจจัยมากมายโดยเฉพาในกลุ่มของสาชาตาชาติก็เยอะ นี่นี่มองมองมองเห็นในฐานะว่านี่โมหะนะโมหะเป็นปัจจัยนะโมหะในฐานะเป็นปัจจัยเนะเป็นอย่างนี้ก็ทําให้ปร่งแต่งสังขารขึ้น <c oughs> เมื่อสังขารมากมายอย่างนั้นกระบวนการของการทําบาปจะมีมากแค่ไหนใช่ไหมลองคูณอารมณ์ดูสิลองคูณอารมณ์ ท, มมที่เป็นบาปดูสิใช่ไม่ใช่อารมณ์6คูณอดีตอนาคตปัจจุบันใช่ไหมแล้วเอาอากุศลกรรมาบทสิไปไปไ ป, ไปคูนก่อน แล้วอะไรจะตามมาใช่เห็นไหมว่าบาปอากุศลมันจึงมากเมื่อบาปอากุศลมากปฏิสนธิวิญญาณจะมีมากไหมปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นต้นก็จะดำเนินไปและก็หลากหลายเลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวเจนาเจตนากรรมนี่มันมาหลากหลายเมื่อเจตนากรรมมันมาหลากหลายเนี่ยถ้าเจตนากรรมที่เป็นบาปมันก็จะสร้างปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นของอบายสัตว์ เป็นพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกแต่ถ้าเจตนากรรมนั้นเป็นบุญใช่ไหมมันก็ให้ปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นบุญแต่ในปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นบุญนั้นก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในวตาไหมวิญญาณนั้นก็อย่างลงสู่ภพที่มีขันหบ้างขันหนึ่งบ้างขัน4บ้างเมื่อได้ปฏิสนธิวิญญาณอย่างนั้นแล้วปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปเกิดหนามรูปก็เกิด เมื่อ น, นามรูปเกิดขึ้นเนี่ยอายตนะมีแล้วอายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกคือลิ้นคือกายและอายตนะที่6คือใจเนี่ยก็มาแล้วมันกระบวนการของกองทุกเนี่ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าวิญญาณ น, นามรูปสราอายตนะผัสสะทวเวทนานี่เป็นผลไหมเป็นอยู่ในฐานะเป็นผลใช่ไหมเนี่ยเขาเป็นผ ล, น เ, ปนผลเป็นผลของอะไรเป็นผลของตรรม หรือเป็นผลของสังขารแต่สังขารก็เป็นผลของอวิชาเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามองอย่างนี้ตัวปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณเกิดขึ้นมาเป็นต้นหรือประวัติวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนามรูปก็เกิดไอ้นามรูปที่เกิดในปฏิสนธิการและประวัติการเป็นต้นที่เป็นไปด้วยอํานาจของผลของวิญญาณเนี่ยนะพอนามรูปเกิดอายตนะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทบอีกแล้วเห็นไหมเพราะอายตนะมีเนี่ยผัสสะมีเนี่ยเอาแล้ว อายตนะคือตาอายตนะคือรูปอายตนะคือมณายตนะเห็นไหมไอ้สอายตนะนี่กระทบกันจะเป็นผัสสะเห็นไหมอายตนะจึงเป็นปัจจัยแก่ผัสสะอย่างนี้อายตนะคือตาอายตนะคือสีอายตนะคือใจคือมณายตนะคือจิตเนี่ยสอายตนะประชุมกันจึงเป็นปัจจัยเกิดผัสสะใช่ไหมหรือว่าตัวผัสสะนี่แหละ ที่เขาเรียกว่าการประชุมกันเนี่ยเขาประชุมอะไรประชุมบาปประชุมบุญอะไรเขาเนี่ ย, ยที่จริงกองทุกประชุมกันไหมมีแต่กองทุกแท้ๆล้วนๆในประชุมกันเนี่ยไม่ได้มีคนสัตว์ไปประชุมเลยนะท่านนะไม่ได้มีหรอกเนี่ยว า, ายะตนะไอ้พอภาษาใช่ไหมถ้าประชุมกันทางตาเขาเรียกว่าจาักขู่สำภาษาถ้าประชุมกันทางวะทาวานหูตาเสียงแ ล, ล้วก็มณายะตนะ คือตัวโสตวิญญาณเนี่ยนะโสตวิญญาณ น, นี่เป็นอายตทานะอะไรเป็นอายตทานะอะไรเป็นมานายะทนะใช่ไหมเป็นมะนายะทนะไม่มีโสตายะทานะมีไห ม, ไหมวันนี้วันนี้ยอมหมูปล่อยเลยมาที่เด็ดตั้งแต่เช้ามาแล้วเนี่ยมโนเอเอไมานายะทนะใช่ไหมประชุมการใน่นหละดับภาษะ ทางทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ในลักษณะเดียวกันคือการประชุมกันนี่ภาษาภาษาก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาไอเวทนาหกก็ตามมาใช่ไหมจากขู่สัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานาสัมผนะัสชาวเวทนาชิวหาสัมผัสชาวเวทนากายสัมผัสชาวเวทนาและมะโนสัมผัสชาวเวทนา ก็มาจากการกระทบนั่นเองเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาสากรมมาตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหานี่เหตุในปัจจุบันเกิดอีกแล้วเหตุปัจจุบันเกิดอีกแล้วเงื่อนต่อไหมเงื่อนต่อตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเชื่อมต่อมาดิถ้ามีวิบวิบากก็จะทํากรรมขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาทั้งนี้ใช่ไหมตัณหาเป็นไปกับอารมหมไหมเป็นไปกับอารมหกใช่ไหมตัณหา3ามเนี่ย ตัณหา6เนะ่เป็นมีอาการ3ามต่าง น, นตัณหา6เนะี่ยมีอาการ3อาการ3มคืออะไรเออใชน่น่อาการของเขาที่เป็นการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาและวิภาวะตัณหานี่คืออาการของตัณหาในอาการของตัณหา3อย่างนี้อดีตก็มีอยู่อย่างนี้ไหมก็มี6อาการ3ปัจจุบันนี่ก็6อาการ3และในอนาคตก็เป็น6และอาการสม ภายในภายนอกก็เป็นอาการสามอย่างนี้ไหมเป็นอาการสามในลักษณะอย่างนี้เบ็ดเสร็จเลยมีตัณหาเท่าไหร่ร้อยแปดเลยใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ก็ตัณหามากถึงปานนี้อุปาทานจะมากไหยอุปาทานก็ต้องมากอยู่แล้วใช่ไหมตัณหาอยากได้อะไรอุปาทานก็ยึดแต่ น, นั้นนะแย่ yeah, ไปในอารมณ์ไหนก็จะยึดอารมณ์นะั้นนะคืบคานก็้าไปหาอารมณ์ไหนก็จะยึดอารมณ์นะั้นถ้ายึดแล้วมีไหมจะไม่ทำำํากรรม S <S <an> เห็นไหมเยอะแล้วตามกรรมทันทีที่กรรมมะภาวะจึงมาเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้กรรมมะภาะเป็นผลของอุปาทานสังขารเป็นผลของอวิชชาเห็นไหมสังขารเป็นผลก็ก็อวิชชาสร้างปฏิสนธิวิญญาณในภพนี้กรรมเนี่ยเป็นผลของอุปาทานสร้างวิญญาณในภพหน้าคือฟงสร้างชาติในภพหน้านั่นเองในภพถอไปนี่เป็นเป็นไปอย่างนี้นะทีนี้ าาพอกัรมะพวะเป็นปัจจัยแก่ชาติใช่ไหมชาติเป็นปัจจัยแก่ชาติเนี่ยชาติก็เป็นปัจจัยแก่ชาลามรณาโสกกะปริเทวทุกขโทมนะสาสาวุปายาตความเกิดขึ้นเนี่ยกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยดูก่อนภิกษุ ท, ทั้งหลายนี่แหละคือความเกิดขึ้นของโลกนี่แหละคือความเกิดขึ้นของทุกกระบวนการของทุกกระบวนการของขันธ์ธาตุอยายตนะที่ดําเนินไปก็เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ ให้สังเกตดูนะว่าถ้ามองในแง่ธาตุก็ธาตุมองในแง่ขันก็คือขันอ่ะอย่างยกตัวยอย่างอย่างนี้ความสืบต่อกันของขันธาตุอายตนะเนี่ยความสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายของขันธาตุของขันของธาตุของอายตนะเนี่ยเรียกว่าปฏิจจสมุปาฏิจะไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปาฏิจะยกตัวยอย่างเช่นถ้าดูตรงนี้จะเห็นชัดดูตรงไหนดูอายตนะคือตาตานี่เป็นขันอะไรเป็นโรคขันเป็นอายตนาอะไร ตาเนี่ยจะเคยจะขายายตนะเป็นธาตุอะไรเป็นจักขูทท่ธาตุเห็นไหมได้แล้วเนี่ยขันทอายตนะธาตุทีนี้อายตนะคือรูปรูปอารมณ์นี่เป็นเป็นขันอะไรรูปขันเป็นอายตนะอะไรเป็นรูปอายตนะเป็นธาตุอะไรเป็นรูปธาตุเห็นไหมและอายตนะ อ, อ, อ, อีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจคือจิต จิตในแค่นั้นคือโสตะไอ้จกักขูยิญญาณจักขูวิญญาณนี่เป็นขันอะไรวิญญาณขันและเป็นอายตนะอะไรมานายตนะเป็นธาตุอะไรเป็นจกักขูวิญญาณธาตุเห็นไหมแล้วในนั้นน่ะในจกักขูวิญญาณ น, นั้น่ะมีเจตสิกไหม <c oughs> เจตสิกเป็นขันอะไร <c oughs> เป็นเวทนาขันเป็น <c oughs> เป็นสัญญาขันและอีกห้าดวงเป็น สังขารละขันและเป็นอายตนะอะไรธรรมายตนะเป็นธาตุอะไรธรรมธาตุเขียนนิยังว่าความเป็นไปของขันธาตุอายตนะที่สืบต่อกันโดยไม่ขาดสายคือปฏิจจานิรัมุนอันนี้แหละเขาเรียกว่าสังสารวัฏหรืออันนี้เขาเรียกวัดตะแต่มาเรียกอีกทีก็คือปฏิจจสมบัติเนี่สายของปฏิจจสมบทัทอันนี้สายเกิดมันเป็นอย่างนี้ ฉันปฏิจจสุบาทเดินก็คืออะไรเดินทุกเดินใช่ไหมทุกมันเกิดมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นไงและในที่สุดจริงๆทุกนั้นก็ตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนไปทุกใหม่ก็ซื้อต่อมาอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันไม่ขาดกระบวนการของความทุกเนี่ยมันไม่ยอมหยุดที่จะซื้อต่ออะไรเนาะเป็นตัวร้อยรัดอะไรดีเป็นตัวร้อยรัดอะไรตัรรรตหาตัหาเป็นตัวเย็บเป็นตัวร้อย มันไม่ให้ขาดไอ้ตัวยางเหนียวตัวเชื่อมเนี่ยเหนียวอุปาทานฉาบติดเขยิญยึดติดแน่นเลยแต่เนี้ยไม่ยอมแล้วถ้าหาบอกว่านี้ทุกเนี่ยไม่มีทางแล้วไม่เอาทุกไม่เอาเราไม่เอาหรอกใช่ไหมบอกว่านี้ทุกมันเห็นที่ไหนแล้วจะเห็นไหมไม่เห็นเลยอะบอกกี่ครั้งกี่ครั้งวันนี้ทุกเนี่บอกไม่เห็นนี้เหตุใ ห, ให้เกิดทุก นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้ากรถ้าหากปฏิจจสมบัติยังดําเนินไปอยู่อย่างนี้ทุกเกิดไหมทุกเกิดเนี่ยทุกตั้งอยู่ทุกแปรปรวนทุกสืบต่อไปแบบนี้กระบวนการของทุกที่ดําเนินไปในวัฏฏานี้ก็ไม่ขาดสายบางครั้งก็สมมุติว่าเป็นสัตว์นรกบางครั้งก็สมมุติว่าเป็นมนุษย์บางครั้งก็สมมุติว่าเป็นเทวดาบางครั้งก็สมมุติว่าเป็นพรหมวะเงิน แต่ความเป็นไปของอบายาสัตว์มนุษย์เทวดาและพรหมก็คือความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทนี่นีสายเกิดมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้พวกเราทั้งหลายต้องทํำยังไงสาธยายให้เยอะทั้งสายเกิดและสายดับแต่โดยมากเราเรียนแต่สายเกิดนะไม่พอเรียนสายดับนี้จะไม่เอาแล้วไอ้การสำลกกักวิชานะี่ไม่เอาแนละ้วไม่เอาเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างเช่นต่อมาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้ว ก็จะเห็นได้ว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมนุษย์เทวดาและพรมเหล่านั้นปรากฏขึ้นได้ก็เพราะอวิชชานเองเป็นตัวต้นเหตุส่วนสังขารเป็นต้นเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นจากอวิชชาได้อีกทีหนึ่งไม่ใช่เป็นตัวต้นตอหรือต้นเหตุทีเดียวว่างนั้นและตราบใดอวิชชายังมีอยู่การเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมจะมีไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ตราบนั้นว่างั้นต่อเมื่อได้ทําลายวิชาเสียแล้วสังขารเป็นต้นก็สิ้นสุดลงไปว่างั้นนี่ย ตรงนี้ถ้าสายดับเนี่ยในโลก น, นิโลทสูตรเป็นต้นเนี่ยนะหรืออีกหลายสูตรท่านจะตรัสว่ายังไงบอกว่าอาศัยตาและรูปเกิดจากขู่วิญญาณการประชุมเองการประชุมม่งทำสามประการนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาในสายเกิดนะเนี่ยเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานในสายเกิด อุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชาลามราณาโสกกาปริเทวทุกขโทมนาสาวาญาตความเกิดขึ้นของกองทุกขทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นสายเกิดถ้าสายดับเล่าอาศัยตาและรูปเกิดจากคูวิญ ญ, ญาณความประชุมเมืองธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะ ตันหาดับด้วยการเพราะตันหาดับด้วยการที่สำรอกถูกสำรอกโดยไม่มีเหลือด้วยอริยมรรคถ้าอริยมรรคเกิดตันหาดับเพราะตันหาดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับพบก็ดับเพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณาโสกาปริิทุกเทวมรณะสาวายาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายนี่ยคือความดับ ของโลกดับดับอย่างนี้นะตัณหาดับอวิชชาดับด้วยไม้มดับที่เอาตัณหาถูกสำรอกอวิชาก็ถูกสำรอกด้วยเพราะตัณหาเป็นเหตุในปัจจุบันใช่ไหมอวิชชาเป็นเหตุในอดีตแท้จริงพอสำรอกตัณหาคือสำรอกอวิชานั่นแหละแต่ในสูตรนี้ท่านแสดงอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงแสดงปฏิจจสุบาทปฏิโลมบอกว่าอาวิชชายะตาวเตวีวะ อาเสสวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทสังขาร so นิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทนามรูปนิโรธาสรายาตนะนิโรโทสรายาตนะนิโรธาผัสสนิโรโทผัสน bon er สนิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตันหานิโรโทตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทอุปาทานนิโรธา พวานิโรโธพวานิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธ า, ช, า, รธาชรามรณะชรามราณาโะโสกปริเทวทุกขโทมนะสาวปายาสานิโรชันติเอวเมตัสาเกวราสสาทุกขันทาสสาสมุตินิโรโธโหติการดับสูนเส้นแห่งอวิชชาโดยไม่มีเหลือด้วยอํานาจแห่งวิชาที่เชื่อวิราคะนั่นเองวิชาในที่นั้นได้แก่อะไรวิชาได้แก่อะไร วิ ช, ชาคืออะไรอ่วิ ช, ชาคือปัญญาในมัคปัญญาในอรหัตธรรมคสูงสุดคืออย่างนั้นน่ยปัญญาในมัคทั้งสแต่ในที่นี้เน้นปัญญาในอรหัตธรรมัคพวกนั้นวิ ช, ชาเนี่ยได้เย็นคําในที่เรียนปฏิจจไอเรียนวิถีไม่ใช่วิถีอย่างเดียวนะในในธรรมจักรกับปวัติตอนสุร อุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุธปาทิวิชาได้เกิดขึ้นมาแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นมาแล้วยานที่เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหบอกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยที่พระพุทธเจ้าอุทานบอกว่าวิชาแสงสว่างหรือยานเนี่ ย, ยานในอริยมรรคได้เกิดขึ้นแล้วแทงตลอดสำรอกอะไรเนี่ยสลอกอวิชา วิราคะนั่นเองฉะนั้นเมื่อวิชาเกิดเห็นไหมวิชาเกิดสังขารข ค, คือกุศลกรรมอกุศลรมจึงดับลงเห็นไหมถ้าวิชาในอรหัตมาเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาเป็นต้นในอรหัตมาเกิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารดับหรือไม่ดับบ้างดับไหมดับทันทีก็แปลว่าท่านผู้นั้นไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องไปทําบุญและทําบาปหรือทําอาเนชักรรมเหนือ ก, กรรมที่เป็นอเนชักุศลอีกแล้วไม่ต้องไปทําแล้วแต่ปัจจุบันยังทําอยู่เพราะอะไรไม่ดับเพราะอะไรไม่ดับนี่แต่โทษของการอาวิชชาไม่ดับนะโทษของอวิชชาไม่ดับบ้างแห่งท่านบอกว่าดกเนี่ยเอาเอาครึ่งหนึ่งก็ได้นะไม่ไม่ต่างกันเพราะการดับศูนย์สิ้นแห่งสังขารทั้งหลายในะวิญญาณก็ดับ คือกรร ม, มวิญญาณในภพกก่อนๆและวิปาวกวิญญาณที่ในภพนี้จึงดับลงและการดับสูญสิ้นไปแห่งวิญญาณ น, นามรูปคือเจตสิกและกรรมชรูปจึงดับลงเพราะการดับสูญสิ้นไปแห่งนามรูปสรายาตนะกล่าวคืออัจฉติยญาตนาหมีจักขายาตนะเป็นต้นจึงดับลงเพราะการดับสูญสิ้นแห่งสรายาตนาะมีจักขายาตนะเป็นต้นผัสสะมีจักขู่สัมผัสสะเป็นต้นจึงดับลงเนะี่ย เพราะการดับศูญย์สิ้นไปแห่งจักขู่สัมพัสสะเป็นต้นเวทนามีจักขู่สัมผัสสชาเวทนาจึงเป็นต้นจึงดับลงเพราะการดับศูนย์สิส้นแห่งเวทนาหตันหาหหรือร้อมีรูปปัญหาสัทาตันหาเป็นต้นจึงดับลงเพราะการดับลงศูญย์สิ้นลงแห่งตันหาอุปาทานสี่การมูปาทานที่ถุปาทานเป็นต้นจึงดับลงเพราะการดับศูญย์สิ้นไปแห่งอุปาทานสี่ภาวะ